และอีกอย่างหนึ่งว่าปินแต่ในที่นี้จุลามณีน่าจะแปลว่าจุลาคือมวยผมและปินมณีแห่งจุลาคำว่าโมลีแปลว่ามวยผมหมายถึงมวยผมบนจอมหรือกระหม่อมแห่งศรีรษะก็ได้มวยผมในส่วนนอกจากนั้นก็ได้คือหมายรุมถึงมวยผมทั้งหมด ส่วนจุลาหมายเฉพาะส่วนของผมบนจอมศรีรษะคือเฉพาะส่วนยอดมีเล่าไว้ในอวิธูเรนิธานในอักฐกะถาชาดกว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาพิเนศกรมส่งม้ากันทกะเสด็จข้าแม่น้ำอโนมาเสด็จลงจากหลังมา้าประทับยืนบนลานทรายส่งเปลืองอาพอรประทานเกณฑชนะและประธานม้ากันทกะแก่เขา แล้วทรงจับพระขันแสงดาบด้วยพระหัต์ขวาจับพระจุลาคือยอดพระเกศากับพระโมลีคือมุ่นพระเกศาทั้งหมด้วยพระหัต์ซ้ายทรงตัดด้วยพระขันแสงดาบพระเกศายังเหลือแน่พระเสียนประมาณสององคุลีหมวนกลับมาทางเบื้องขวาเป็นทักษิณาวัตคงอยู่ขนาดนั้นตลอดพระชนชีพพระมสุก็มีสมควรกันแก่พระเกศา ไม่ต้องปรงพระเกศาและพระมสุอีกพระโพธิสัตว์ทรงโยนพระจุลากับพระโมลีขึ้นไปในอากาศท้าวสกะเทวราชทอดพระเนตรเห็นด้วยทิประจักษุทรงรับด้วยพระอบรัตนะทรงนำขึ้นไปประดิษฐานไว้ในเทวสถูปชื่อจุลามณีเจดีในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกับอีกสองสิ่งคือปินมณีและเครื่องรัดกล้าวดังกล่าวแล้วรวมเป็นสี่สิ่งคือ 1. พระจุลา 2. พระโมลี 3. ปิ่นมณี 4. เครื่องรัดเกล้านอกจากนี้ยังเป็นที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาในคราวแบ่งพระธาตุดังที่มีเล่าไว้ในพระปฐมสมโพธิกถาพระนิพล์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีความว่าเมื่อโทนพรามแบ่งพระธาตแอบหยิบเอาพระธาตุธาตุ คือเขี้ยวแก้วเบื้องขวาขึ้นซ่อนไว้ณนาายใต้ผ้าโพกศริรษะพระอินทร์ทอดพระเนตรเห็นด้วยทิปจักสุทรงดำริว่าโทนพรามไม่อาจทำสการะให้สมควรแก่พระธาตุธาตุได้ควรจะนำมาบูชาในเทวโลกจึงทรงอัญเชิญพระธาตุธาตุนั้นจากผ้าโ พ, พกของโทนพรามประดิษฐานในสุวรรณโกศทรงนำขึ้นไปบรรจุไวในพระเจดีย์จุลามณี ในดาวดึงสัตวโลกฉะนั้นในพระเจดีย์นี้จึงมีสิ่งบรรจุหลายอย่างแต่ก็เรียกว่าจุลามณีเจดีย์ขัติยะในชมพูทวีปสมัยพุทธกาลน่าจะไว้พระเกศายาวมุ่นเป็นโมลีคือมวยผมมีปิ่นเสียบที่จุลาคือผมส่วนยอดและมีเครื่องรัดเกล้าพระพุทธรูปสมัยแรกมีทมพระเศียรแบบขัตติยะดังกล่าว ในเวสันดอนชาดกมีแสดงไว้ตอนหนึ่งว่าพระเวสันดอนประทานทุกสิ่งแก่ผู้ขอจนกระทั่งสุวรรณสูจิดังกล่าวในมหาชาติคำหลวงว่าทก็ถอดพระอินปินมาประศาสแก่นายพระเนจร น, นั้นเทวสภาสุธรรมาเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดถึงประวัติของเท้าสกเทวราชหรือพระอินตามที่เล่ามาแล้ว โดยมากเก็บความมาจากคัมภีร์อัตถกถาและดีกาในคัมภีร์ดีกาซึ่งแต่งภายหลังอัตถกถายิ่งพรนานาไว้พิสดารกว่าคัมภีร์อัตถกถาเช่พนพรนนาถึงรายละเอียดของเครื่องประดับต่างๆจะเก็บความในดีกาเล่าต่อไปถึงเทวสภาสุธรมมาเทวสภานี้พื้นเป็นแก้ผลึกที่เสาขือ่อและคอรับขือคือสังคาตะเป็นต้น สลักเป็นรูปสัตว์ร้ายเป็นต้นด้วยแก้วมณีเสาสำเร็จด้วยทองบาทเสาคือธรรมพะฆาตกะและคอรับคือสำเร็จด้วยเงินรูปสัตว์ร้ายสำเร็จด้วยแก้วประพานนางตรันคือโคปานสีไม้ค้ำโครงหลังคาคันทวยปัคขาปาะขอบมุกสำเร็จด้วยรัตนะ หลังคามงด้วยกระเบื้องอินทนินโบกด้วยทองโดมยอดสำเร็จด้วยรัตนะตรงกลางเทวสภามีธรรมาตมีรัตนบัลลังก์กลางกั้นสเสวิตชัดเป็นที่พระพรมชั้นสูงลงมาแสดงธรรมหรือพระอินหรือเทพผู้รู้ธรรมแสดงธรรมถัดมาเป็นที่ประทับของพระอินและเป็นที่นั่งของเทวบุตรผู้เป็นสหายธรรมกุศลร่วมกันมา33องค์ แล้วเป็นที่นั่งของเทพผู้มีศักดา์าใหญ่น้อยถัดกันไปโดยลำดับแต่บางคมพีเล่าว่าตรงกลางเทวสภาเป็นที่ประทับของพระอินน่าจะถือเอาความว่าในวันที่มีแสดงธรรมก็ตั้งธรรมมาตไว้ตรงกลางส่วนเวลาปกติตั้งที่ประทับของพระอินมีทิพยะละดาคือไม้เครือเถาชื่ออาสาวดี ส่วนต้นปาริชตกะหรือปริชาติเมื่อออกดอกทรงกลิ่นหอมขจรก็จะมีลมทิพชโชยพัดมาเด็ดดอกปริชาติและมีลมรับดอกให้ปลิวเข้าไปในเทวสภามีลมกวาดดอกเก่าออกมีลมเกลี่ยดอกใหม่มีลมบัรจงจัดช่อกลีบและเกสรให้งดงามชวนชมพวกเทพพากันคอยรอดูผลัดใบของต้นปริชาติ เพื่อจะได้ประชุมเรื่องเรืองในคราวต้นปริชาตออกดอกบานสะพรั่งเต็มที่คัมภีร์ต่างๆชั้นอัตถกถาดีกาที่พนานาเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นคัมภีร์ที่เขียนขึ้นภายหลังพุทธกาลมานานเช่นอัตถกถาธรรมบทก็เขียนขึ้นภายหลังพุทธกาลประมาณ1000ปีคัมภีร์ดีกาต่างๆเขียนขึ้นภายหลังจากนั้นและส่วนใหญ่เขียนในลังกา เมื่ออ่านดูหลายคัมภีร์สอบกันก็พบข้อที่กล่าวไม่ตรงกันหลายแห่งและความบางเรื่องดูจะขัดกันในตัวก็มีเช่นบ้านเกิดของมรคมานพว่ามะจระลคามก็มีอะจจรัคคามก็มีต้นไม้ประจําสวรรค์ชั้นดาวดึงคือต้นปริชาตบางคัมภีร์แสดงว่าเกิดขึ้นเมื่อมรคมานพไปเกิดเป็นพระอินทร์พระเหตุที่เมื่อเป็นมนุษย์ได้ปลูกต้น โกวิหลาละคือท้องหลงังเพื่อเป็นร่มเงาแก่ประชาชนจึงไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่มีอยู่ก่อนเมื่อครั้งบุบ ป, ประเทศคืออสุระครอบครองอยู่แต่บางคำผีเล่าว่าพบดาวดึงบนยอดเขาซิเนรุและพบอสุรใต้เขาซิเนรุมีที่พยสสมบัติต่างๆคล้ายคลึงกันตลอดถึงต้นไม้ประจำพบทั้งสองนี้ก็คล้ายคลึงกันจนถึงพวกอสุร เมื่อถอยลงไปตั้งเมืองอยู่ใต้เขาซิเนรุแล้วก็ยังเคลือบเคล้มไปว่ายังอยู่ที่เมืองเก่าของตนบนยอดเขาสิเนรุครั้นถึงฤดูต้นจิตปาตาลีออกดอกได้เห็นดอกต้นจิตตปาตาลีแล้วจึงรู้สึกขึ้นว่าไม่ใช่ต้นปริชาติเกิดความเสียดายเมืองเก่าของตนจึงยกกันขึ้นไปเพื่อจะชิงเอาเมืองเก่าซึ่งได้ชื่อว่าดาวดึงนั้นคืนตามที่พรนนนามา น, นี้ แสดงว่าต้นปริชาติมีประจําอยู่ในที่นั้นก่อนแล้วไม่ใช่มาเกิดขึ้นภายหลังและสงครามระหว่างเทพกับอสุราก็จะต้องมีทุกคราวที่ต้นจิตตาปาตาลีออกดอกแม้ในบัดนี้ก็น่าจะยังทําสงครามกันอยู่ทุกระดูที่ต้นจิตตาปาตาลีออกดอกดังกล่าวในการทําสงครามกันท่านยังพนา น, านาไว้ว่าไม่มีฝ่ายไหนบาดเจ็บล้มตายทั้งชิงเอาเมืองของกันและกันก็ไม่ได้ดังที่กล่าวมาแล้ว น่าคิดอีกว่าพวกอสุรเป็นพวกบูประเทพคือพวกเทพที่อยู่ในถิ่นสวรรค์ชั้นดาวดึงมาก่อนไฉนจึงไม่จัดเข้าพวกเทวดาด้วยและไฉนนจึงไม่จัดอสุรภพเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งและเมื่อไม่จัดเป็นพวกเทวดาจะจัดเป็นพวกอะไรเป็นสุขติหรือทุคติและเมื่อทั้งสองฝ่ายต้องทําสงครามกันอยู่ทุกฤดูออกดอกของต้นจิตตปาตาลี ดูก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ไม่ค่อยสมกับเป็นสวรรค์ซึ่งเป็นผลของทานศีลพระพวกเทวดาชาวเมืองดาวดึงต้องเป็นทหารออกสงครามกันเกือบจะเป็นงานประจำปีและที่กล่าวว่าฤดูรื่นเริงของพวกเทวดาคือฤดูที่ต้นปริชาตออกดอกก็น่าจะรื่นเริงกันไม่ได้เต็มที่เพราะจะต้องออกสงครามรบกับอสุระฉะนั้น ฤดูที่ต้นไม้ประจำพบทั้งสองออกดอกก็กลายเป็นฤดูสงครามแทนที่จะเป็นฤดูรื่นเริงของเมืองทั้งสองในอัธกถ า, า, ากุลาวะกะชาดกยังได้นำเอาเรื่องมคมานพไปเกิดเป็นพระอินมากล่าวว่าเป็นชาติอดีตของพระพุทธเจ้าชาติหนึ่งเรื่องพระอินตามที่เล่านี้จึงกลายเป็นไม่ใช่พระอินองค์ปัจจุบันแต่กลายเป็นพระอินในอดีตการนานไกล แต่ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระอินทร์องค์หนึ่งสิ้นบุญจุติไปก็มีพระอินทร์อีกองค์หนึ่งเกิดสืบแทนกันไปบางคำพีตั้งกฎเกณฑ์ไว้ด้วยว่าผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระอินทร์ทุกคนต้องเป็นคนชาวบ้านอจรขามในแคว้นมคธและทำบุญเช่นเดียวกับมคมานพคราวนี้กลับมาย้อนพิจารณาดูถึงความประพฤติของมคมานพท่านพนานาถึงมคมานพว่า แผ่ถางที่ดินสร้างถนนขนทางเป็นต้นเมื่อมีใครมาแย่งที่ก็ไม่หวงย้ายไปแผ่ถางที่อื่นต่อไปทั้งหมดเข้าลักษณะผู้ที่สร้างความสุขให้แก่ประชาชนสมเหตุสมผลแต่เมื่อไปเกิดเป็นพระอินดูมีความประพฤติเปลี่ยนไปทำนองหัวหน้าหมู่หรือราชาในสมัยโบราณซึ่งเจริญและฉลาดกว่าอพยพหรือยกกองทัพไปยึดถิ่นของหมู่ชนที่ยังไม่เจริญไม่ฉลาด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 ยังเล่าว่าเมื่อพวกอสุระฟื้นคืนสติแล้วรู้ตัวว่าเสียเมืองไปเพราะสุราจึงตั้งกติกากันไว้ว่าจะไม่ดื่มสุรากันอีกต่อไปแต่ก็เสียเมืองไปเสียแล้วและเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าอสุรไม่ดื่มสุราถอดเอาความก็คือพระอินออกอุบายขับอสุระออกไปได้หมดเรื่องของพระอินดังกล่าวนี้ดูตรงข้ามกับเรื่องของมคมานพ ฉะนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าเรื่องของพระอิน์คงเป็นเรื่องของกษัตริย์หรือราชาเก่าแก่ดึกรําบันตั้งแต่ก่อนพุทธกาลซึ่งมีชื่อเสียงทรงจำกันมาเป็นพิเศษจนถึงภายหลังยกขึ้นเป็นเทวราชครอบครองสวรรค์ชั้นหนึ่งครั้นตกมาถึงยุคพุทธกาลเรื่องพระอินหรือเท้าสกัดเทวราชก็ได้ติดเข้ามาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นจอมทัพชั้นดาวดึง ในคำพีชั้นบาลีมีเก่าวถึงหลายแห่งแต่มาเล่าให้พิสดารมากในชั้นอัตคัฏฐดีกาโดยเก็บเอาเรื่องพระอินทของเก่ามาเล่าผสมกับเรื่องของมคคะามานพให้เป็นคนเดียวกันคือมคคมานพไปเกิดเป็นพระอินทแต่ประวัติของมคคมานพดําเนินเรื่องไปตามหลักทานศีลซึ่งเป็นเหตุแห่งสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนาโดยตรงส่วนประวัติของพระอินท์ดําเนินไปตามหลักของวีรบุรุษ หรือมหาราชทางคดีโลกไม่คำนึงถึงทานศีลเป็นใหญ่แต่มุ่งชัยชนะเป็นที่ตั้งฉะนั้นเมื่อเทียบดูกันแล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องมาคนละทางคนละคติเมื่อจับมาผสมกันก็คงยันกันอยู่คนละแนวนั่นเองหรือจะแก้ ว, ว่าเมื่อมาเกิดเป็นเทพผู้หัวหน้าได้เสวยที่พยสมบัติก็เลยเกิดความติดความเพลินเปลี่ยนปฏิปทาไป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 บางทีจุติก่อนกำหนดก็มีท่านว่าเหตุอย่างหนึ่งได้แก่เพราะมัวเล่นเพลินจนลืมบริโภคคือเพราะเมาสวรรค์เกินไปนั่นเองวัตบท7ประการเรื่องพระอินที่กล่าวถึงในคัมภีร์ชั้นบาลีก็มีเขาเรื่องเช่นเดียวกับในอัตคถาดีกาท่านรวบรวมไว้ในสกกะสังยุตดังจะเลือกเก็บความมาเล่าต่อไปครั้งหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในศาลาประชุมที่สร้างเป็นเรือนยอดในป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีเจ้าิาษีชื่อมหาลิเข้าไปเฝ้ากลับทูลว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเคยเห็นเท้าสกัจอมเทพล้วหรือพระองค์ตรัสตอบว่าได้ทรงเห็นเจ้ามหาลิก็ยังสงสัยกลับทูลว่าเท้าสกะจอมเทพที่ทรงเห็นนั้นน่าจะเป็นเท้าสกะปลอม พระเท้าส ก, กะจอมเทพเห็นได้ยากพระองค์ตรัสตอบว่าทรงรู้จักเท้าส ก, กะและทรงทราบธรรมที่เท้าส ก, กะประพฤติแล้วจึงเกิดเป็นเท้าส ก, กะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าต่อไปว่าเท้าส ก, กะดจอมเทพเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนได้เป็นมานพชื่อว่ามัคคะฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้ามัคควาหรือมัคควาณเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อน ได้ให้ทานในเมืองฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้าปุรินทะเมื่อเป็นมนุษย์ในการกอดได้ให้ทานโดยสักการะเคารพฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้าสักเมื่อเป็นมนุษย์ในการกอดได้ให้ที่พักฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าวาสะหรือวาศบทรงคิดรู้ความทั้งพันชั่วเวลาครู่เดียวฉะนั้นจึงเรียกว่า ท้าสหัสสกะหรือสหัสเนตแปลเหมือนกันว่าเท้าพันตาเท้าสกะมีอสุรกา ญ, ญาชื่อสุชาเป็นประชาบาดีคือชายาฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้าสุชัมบดีเท้าสกะครอบครองราชสมบัติเป็นอิสริยาธิบดีแห่งถวยเทพชั้นดาวดึงฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้าเทวานพินทะคือจอมเทพ เรียกสั้นว่าพระอินทร์เท้าสกะจอมเทพเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนได้สมาทานประพฤติวัตถบท7ประการจึงเกิดเป็นเท้าสกะคือ 1. เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต 2. ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เป็นเชตกะคือผู้เจริญคือผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. มีวาจานุ่มนวลสุภาพตลอดชีวิต 4. มีวาจาไม่สอดเสียดตลอดชีวิต 5. มีใจปราศจากความตรหนียินดีในการแจกจ่ายทานครอบครองเรือนตลอดชีวิต 6. มีวาจาสัจจริงตลอดชีวิต 7. ไม่โกรธแม้ว่าถ้าเกิดโกรธขึ้นก็ระงับได้ทันทีตลอดชีวิตถ้าชัคะสูตรทำเครื่องขจัดความกลัวเรื่อง เทวาสุรสงครามได้มีเล่าไว้ในคัมภีร์ชั้นบาลีหลายแห่งเรื่องมีชื่อเสียงที่ใช้สวดเป็นพระประริฐคือทัชคสสูตรคือสูตรที่แสดงถึงยอดธงมีความว่าเมื่อสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในเชตวนารามของอนาถาปิติกะใกล้กรุงสาวัตถีได้ตรัสเรื่องเทวสุรสงครามแก่ภิกษุทั้งหลายมีความว่าเรื่องเคยมีมาแล้ว สงครามระหว่างเทพและอสูรได้เกิดประชิดติดพันกันขึ้นท้าวสกะจอมเทพเรียกประชุมเทพชั้นดาวดึงตรัสสั่งว่าถ้าเทพผู้เข้าสงครามเพึ่งเกิดความกลัวความหวัดเสียวหรือความสะดุ้งขนพองสยองกล้าวก็ให้มองดูยอดธงของพระองค์ไม่เช่นนั้นก็ให้มองดูยอดธงของเทวราชชื่อประชาบดีไม่เช่นนั้นก็ให้มองดูยอดธงของเทวราชชื่อ วรุณะไม่เช่นนั้นก็ให้มองดูยอดธงของเทวราชชื่ออิสานะความกลัวความหวาดเสียวหรือความขนพองสยองกล้าวก็จะหายไปเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าเรื่องเทวาสุรสงครามในอดีตดังนี้แล้วก็ได้ตรัสน้อมเข้ามาทางพระพุทธศาสนาว่าเมื่อพวกเทพที่เข้าสงครามมองดูยอดธงของเท้าสกะจอมเทพหรือ ของเทวราชอีกสามองค์นั้นความกลัวความหวาดเสียวหรือความขนพองสยองกล้าวจะหายไปก็ได้ไม่หายไปก็ได้เพราะเหตุที่เท้าส ก, กะจอมเทพเองยังไม่ใช่ผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะยังมีความกลัวความหวาดเสียวความสะดุ้งยังต้องพ่ายหนีส่วนพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าถ้าท่านทั้งหลายไปอยู่ป่าไปอยู่โคนไม้หรืออยู่ในเรือนว่าง จะพึงเกิดความกลัวความหวาดเสียวหรือความขนพองสยองกล้าวขึ้นก็พึงระลึกถึงพระองค์หรือระลึกถึงธรรมหรือระลึกถึงสงฆ์เมื่อระลึกถึงอยู่ดังนี้ความกลัวความหวาดเสียวหรือความขนพองสยองกล้าวจะหายไปเพราะเหตุที่พระตถาคตเป็นผู้ปราศจาก ร, ราคะโทสะโมหะเป็นผู้ไม่กลัวไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่พ่ายหนีพระสูตรนี้ มีข้อหน้าสังเกตว่ามีคำขึ้นต้นว่าเรื่องเคยมีมาแล้วใช้ขึ้นต้นเมื่อจะเล่าเรื่องแต่อดีตที่ล่วงมานานแล้วแสดงว่าเป็นเรื่องที่เล่ากันมานานและการนำเรื่องเก่ามาเล่าในคำพีชั้นบาลีทุกแห่งจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นก็ตามก็เพื่อสาธกฐธรรมดังที่เรียกว่านิทานสุภาษิตในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน นำเรื่องเทวาสุรสงครามตอนนี้มาเล่าก็เพื่อสอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นในเมื่อเกิดความกลัวขึ้นเช่นเดียวกับพวกเทพเมื่อเข้าสงครามกับอสูรเกิดความกลัวขึ้นก็ดูยอดธงของพระอินทร์หรือของเทวราชรองลงมาทั้งหลายคือพระยอดธงน่าจะสร้างขึ้นตามในพระสูตรนี้ขันติธรรมในสงครามคราวนี้เวปจิตติ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 และคอเป็นที่หถูกนำเข้ามายังสุธรรมสภาก็บริภาษ์่าพระอินด้วยถ้อยคำหยาบช้าต่างๆทั้งๆในขณะที่เข้าไปและออกมาพระมาตลีเทพสารถีทูลถามพระอินว่าทรงอดกลั้นได้เพราะกลัวหรือว่าเพราะอ่อนแอพระอินตรัสตอบว่าทรงทนได้ไม่ใช่เพราะกลัวไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่วินยูเช่นพระองค์จะตอบโต้กับผู้พานได้อย่างไร พระมาตาลีถุนว่าผู้พานจะได้กำเริบถ้าไม่กำหรับเสียเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงกำหรับผู้พานเสียด้วยอาจียาอย่างแรงพระอินตรัสว่าทรงเห็นว่ารู้ว่าเขาโกรธและมีสติสงบได้นี่แหละเป็นวิธีกำหรับพานพระมาตาลีได้ถูนแย้งว่าความอดกลั้นดังนั้นมีโทษคือพานเข้าใจว่าผู้นี้อดกลั้นเพราะกลัวเราก็ยิ่งคง เหมือนโคยิ่งหนีก็ยิ่งไล่พระอินทร์ก็คงตรัสยืนยันว่าพานจะสําคัญอย่างไรก็ตามประโยชน์ของตอนสําคัญยิ่งและไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าขันติผู้ที่มีกําลังอดกลั้นต่อผู้ที่อ่อนแอรเรียกว่ามีขันติอย่างยิ่งเพราะผู้ที่อ่อนแอต้องอดทนอยู่เองเสมอไปผู้ที่มีกําลังซึ่งใช้กําลังพานคือเช่นพานตอบไม่เรียกว่ามีกําลัง ส่วนผู้ที่มีกำลังซึ่งมีธรรมะคุ้มครองย่อมไม่มีกล่าวตอบผู้โกรธตอบผู้โกรธอยากมากไปกว่าผู้โกรธทีแรกส่วนผู้ที่ไม่โกรธตอบผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ที่รู้ว่าเขาโกรธแต่มีสติสงบได้ชื่อว่าพระพุทประโยชน์ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่นทั้งสองฝ่ายแต่ผู้ที่ไม่ฉลาดไม่รู้ธรรมก็ย่อมจะเห็นผู้ที่รักษาประโยชน์ตน และผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดังกล่าวว่าเป็นคนโง่ไปเสียในคำพีเล่าเรื่องพระอินทร์และพระมาตรีตอบโต้กันอังนี้แล้วก็กล่าวเป็นพุทธโอวาทต่อไปว่าเท้าสกัดความเทพยังกล่าวสันเสริญขันติคือความอดทนและโสระจัคคือความเสี่ยมภิกษุทั้งหลายก็พึงมีขันติโสระจัคจึงจึงงดงามเรื่องนี้สันเสริญคุณของขันติในคา ตตอตอบกันแฝงกติธรรมที่น่าพิจารณาคือถ้าดูอย่างผิวเผินก็รู้สึกเพียงว่าพระอินทร์ทรงมีขันติเป็นอย่างดีและทรงสันเสริญคุณของขันติต่างๆแต่ก็ควรพิจารณาต่อไปว่าพระอินทร์ทรงใช้ขันติดังที่ตรัสสันเสริญนั้นตอนไหนก็จะเห็นได้ว่าทรงใช้ในตอนที่เป็นผู้ชนะแล้วและเวปจิตติอสุรินถูกจับมัดเข้ามาเฝ้าหมดกาลังอนานาจที่จะทาอะไรได้ ได้แต่เพียงด่าอย่างคนแพ้หมดทางสู้ด้วยประการทั้งปวงเท่านั้นพระอินทรงใช้ขันติในตอนนี้จึงเหมาะด้วยประการทั้งปวงแต่ในตอนที่ทำสงครามกันไม่ได้แสดงว่าพระอินตรัสสั่งให้ใช้ขันติแต่ทรงสั่งให้รบให้ชนะและให้จับเวปจิตติอสุรินพัฒ น, นาการนำเข้ามาทั้งทรงอบรมให้ใช้ความพยายามดังจะเล่าต่อไปเรื่องนี้ จึงมีคติแฝงอยู่ถึงระยะเวลาที่ควรจะใช้ทำข้อไหนในเวลาไหนสำหรับในคดีโลกถ้าใช้ทำไม่ถูกเวลาแล้วก็จะเสียประโยชน์ในเทวาสุรสงครามครั้งหนึ่งเวปจิตติอสุรินชักชวนเท้าสกกะให้เอาชนะกันด้วยสุภาษิตคือธรรมยุทธ์ทั้งสองฝ่ายตกลงกันตั้งปาริสัจจะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน คือทำนองอนุญาโตตุลาการกระมังเวปจิตติอสุรินเสนอให้ท้าวสกตะทรงกล่าวขึ้นก่อนฝ่ายท้าวสกตะทรงเสนอให้เวปจิตติอสุรินกล่าวขึ้นก่อนเพราะเป็นปุปผเทพคือเทพอยู่มาก่อนเวปจิตติอสุรินได้กล่าวว่าพวกพานพึงกำเริบอย่างยิ่งถ้าไม่มีผู้กำราบเสียเพราะฉะนั้นผู้ทรงปัญญาก็พึงกำรบาบพานด้วยอชยะอย่างแรงท้าวสจตะได้ตรัสว่า พระองค์ทรงเห็นว่ารู้ว่าเขากำเริบ ม, มีสติสงบได้นี่แหละเป็นวิธีกำรังพานเวปจิตติอสุรินกล่าวว่าต้นเห็นว่าความอดกลั้นดังนั้นมีโทษคือพานเข้าใจว่าผู้นี้อดกลั้นเพราะกลัวเราก็ยิ่งข่มเหมือนโคยิ่งหนีก็ยิ่งไล่ท้าส ก, กะตรัสว่าพานจะสำคัญอย่างไรก็ตามประโยชน์ของตนสำคัญยิ่งกว่า และไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าขันติเป็นต้นเหมือนอย่างที่ตรัสตอบแก่พระมัทลีเทพสารถีเมื่อเวปจิติอสุรินกล่าวจบครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพวกอสุระพากันอนุโมทนาฝ่ายพวกเทพนิ่งเมื่อเท้าสักกะตรัสจบครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพวกเทพพากันอนุโมทนาพวกอสุระนิ่งครั้นทั้งสองฝ่ายได้กล่าวจบแล้วพวกปาริสัชฌ์ของเทพและอสุระได้ลงความเห็นว่า คำของเวปจิตติอสุรินเป็นทุพพาษิทธ์เพราะแนะนําให้ลงทันให้ลงสัตราวุธให้ทะเลวิวาทบาดหมางส่วนคําของท้าส ก, กะเป็นสุภาษิทธ์เพราะแนะนําให้ไม่ลงทันไม่ลงสัตราวุธไม่ทะเลวิวาทบาดหมางจึงตัดสินให้เท้าสักกะชนะ